เรื่องเล่าผีหลอนตอนหลอนต่างแดนเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เริ่มจากเราและเพื่อนสนิทอีกสองคนได้เข้าร่วมโครงการ work and travel ที่อเมริกาและเกิดเหตุการณ์ลึกลับ ที่เราและเพื่อนๆยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องมีอยู่ว่าเราและเพื่อนสนิทอีกสองคนชื่อเหมียวและปานได้ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ work and travel ไปทำงานที่อเมริกาช่วงปิดเทอมและเราได้ไปที่รัฐลุยเซียนาเมืองนิวออรลีนที่พักที่นั่นที่เรากับเพื่อนๆไปอยู่ เป็นที่พักที่พวกเราหาเองเพราะทางโครงการไม่ได้บังคับว่าจะต้องอยู่ที่พักกับเอเจนต์เราเลยจองที่พักออนไลน์ก่อนเดินทางผ่านทางเว็บ c l i c k l i s t แล้วเราสามคนก็ได้ที่พักที่ถูกมากๆตกสัปดาห์ละ70ดอลลาร์ต่อคนต่อสัปดาห์แชร์กัน3คนอยู่ห้องเดียวกันมีห้องครัวเล็กๆ พร้อมกับหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องน้ำจะเป็นห้องแชร์กับบ้านโดยจะมีคนอื่นๆอยู่ด้วยในหลังนั้นแต่จะแบ่งเป็นโซนใครโซนมันทางเราได้คุยกับแลนหลอดหรือป้าเจ้าของบ้านเขาดูเฟนลี่มากๆและเหมือนดีใจที่เราเลือกไปอยู่กับเขาวันเดินทางไปถึง พวกเราเรียกแท็กซี่จากสนามบินไปที่พักที่นี่และป้าเจ้าของที่พักก็มารอตามนัดที่หน้าบ้านให้กุญแจพวกเราเข้าไปในบ้านเราสามคนได้ห้องพักชั้นบนซึ่งบ้านนี้จะมีสองชั้นจากนั้นเราก็าเอาของเข้าเก็บและพยายามปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆของบ้าน เรากับเพื่อนๆจะออกไปเดินเล่นในเมืองเวลาที่ลงมาจากตัวบ้านห้องค้างล่างที่ป้าแลนด์หลอดบอกมีคนอื่นจะมาแชร์กับเราด้วยเราไม่เห็นรถคันไหนมาจอดที่นี่เลยสักคันและห้องทุกห้องก็ปิดประตูนหน้าต่างมิดชิดเหมือนห้องเราห้องเดียวที่มีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ตกกลางคืนด้วยความที่เจ็ดแลก็ก เรานอนไม่หลับแต่เพื่อนเราอีกสองคนหลับตั้งแต่หัวค่ําเราเลยเปิดทีวีดูไปพ ล, งพลางๆเราได้ยินเสียงห้องข้างล่างบ้านเราเปิดเพลงจังหวะคล้ายเพลงคนผิวสีแบบโบราณโบราณแบบมีเสียงกลองและได้ยินเสียงคนหัวเราะเสียงก็ไม่ได้ดังมากไม่ถึงขนาดกับรบกวนเราแต่เราแปลกใจ เพราะเมื่อตอนเย็นที่กลับเข้ามาไม่มีวี่แววว่าจะมีรถมาจอดหรือว่าจะมีใครอยู่ห้องข้างล่างเลยเราเลยเปิดหน้าต่างออกมาชะโงกดูข้างล่างว่าเขามีอะไรกันสรุปว่ามันมืดมากไม่มีเงาสะท้อนว่าห้องข้างล่างเปิดไฟและไม่มีรถจอดสักคันมีแต่เสียงมแมลงตอนกลางคืน ร้องถ้ำกลางโพรงหญ้าข้างล่างพอเรากลับเข้ามาในห้องเสียงเพลงและเสียงพวกคนหัวเราะก็หายไปแล้วเหลือแต่ความเงียบสงัดด้วยความที่เรากลัวผีมากตอนนั้นก็รู้สึกช็อกนิดๆอาจคิดว่าเป็นเสียงทีวีที่เปิดก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันมาจากข้างล่าง คืนนั้นเราเลยรีบนอนและก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังหลังจากนั้นผ่านไปเกือบจะสัปดาห์เราก็เทรนงานกับเพื่อนๆจนลงตัวมีเพื่อนชาวอเมริกันที่รู้จักกันบ้างแล้วชีวิตที่นั่นก็ปกติดีแต่แปลกที่บ้านพักของเราไม่มีใครมาอยู่แช์ห้องในบ้านพวกเราเลย เคยเท x t ซ์ไปถามป้าแลนด์ลอร์ดเขาก็บอกว่าปกติจะมีคนมาอยู่พอช่วงซัมเมอร์นี้เขาจะกลับโฮมทาวกันบางคนก็ไปพักผ่อนอยู่ที่อื่นลึกๆเราก็ไม่เชื่อแต่ก็ตอบเขาไปว่าโอเคในขณะที่เรากับเหมียวกำลังกลับบ้านส่วนปานยังทำงานอยู่ เหมียวเล่าให้เราฟังว่ากูฝันร้ายมากมาสองสามคืนกูฝันว่านอนอยู่กับพวกมึงอยู่ดีๆและได้ยินเสียงคนเอาอะไรไม่รู้ลากพื้นจากห้องข้างล่างขึ้นมาข้างบนและประตูห้องเปิดพวกมันเข้ามาในห้องใส่หน้ากากสีขาวโคตรน่ากลัวตาดำใหญ่ๆและปากแบ ะ, แบะ ชุดคลุมตัวสีขาวมันเข้ากันมาหลายคนและเอาขวานที่มันลากมาฟาดใส่หน้ามึงสับหน้ามือกับป่านจนเละแล้วพวกมันก็นิ่งและหันมามองหน้ากูทุกตัวและกูขยับตัวไม่ได้หายใจไม่ออกมันมองหน้ากูค้างแบบนั้นสักพักจนกูตื่นมาหอบหายใจเหนื่อยด้วย ภาพติดตามากแปลกที่กูฝันซ้ำๆแบบนี้มาสองสามคืนแล้วเราฟังที่เพื่อนเล่าก็รู้สึกกลัวแต่คงคิดว่ามันกินมากไปเลยฝันเยอะเลยบอกเพื่อนว่าอย่าคิดมากแล้วเราก็แวะไปซื้อของที่ร้านคาละแวกนั้นซึ่งลุงคนดำที่เป็นแคชเชียร์ เจอกันทุกวันจนเขาจำได้แล้วเริ่มคุยถามชีวิตพวกเราว่ามาทำอะไรที่นี่เราเลยบอกว่ามาจากประเทศไทยและมาฝึกงานที่นี่เขาถามว่าอยู่ละแวกไหนเราก็เลยบอกพิกัดบ้านไปลุงเขาก็ทำหน้าแบบตกใจว่าทำไมเราถึงไปพักกันที่นั่นเรากับเหนียวมองหน้ากัน ว่ามันมีอะไรแปลกๆพ่อถามลุงว่าทำไมลุงกลับบอกว่าให้ไปถามแลนด์ลอร์ดของเราเองพอเราเดินออกมาจากร้านเราหันไปมองลุงสายตาเขามองเรากับเหมียวตลอดเวลาเราเริ่มอยากรู้แต่ก็ไม่กล้าถามแลนด์ลอร์ดไม่รู้จะถามอะไรว่าทำไมลุงในร้านค้า แปลกใจที่เรามาพักที่นี่ซึ่งใครจะกล้าถามเพราะเรากับแลนหลอดไม่ได้สนิทกันถึงขนาดนั้นและเขาก็คิดค่าที่พักถูกมากๆเราก็เลยกเกรงใจพอกลับมาก็เล่าเรื่องให้ป่านฟังป่านได้แต่พูดขึ้นว่ากูกลัวพวกมึงคิดมากกูก็เจอเหมือนกันเมื่อสองคืนก่อน ที่กูเลิกงานกลับมาค่ำกูกำลังเดินขึ้นมาบนบ้านก็เหลือบมองไปที่หน้าต่างห้องข้างล่างกูเห็นเหมือนมีคนยืนหันหลังกันหลายคนเปิดไฟสลัวสลัวมองไม่ออกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกูชะงักกำลังเดินก้าวขาลงบันไดและหันไปมองอีกรอบก็เจอแต่ความมืดไม่มีแสงไฟ และไม่มีใครอยู่เลยจากนั้นก็รีบวิ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่กล้าบอกพวกมึงกลัวพวกมึงกลัวและเมื่อคืนกูนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตอนปิดไฟในห้องนอนหางตาก็เห็นใครไม่รู้ชะโงกหน้ามามองตรงหน้าต่างข้างเตียงพอหันกลับไปมองเหมือนมันหลบไปหลังหน้าต่างอย่างไว กูอาจคิดว่าตาฝาดแต่พอเล่นไปสักพักมันก็โผล่มาอีกพอมองไปมันก็หลบกูกูเลยชะงอกไปดูแต่ก็ไม่มีใครเราฟังแล้วก็กลัวเพราะหน้าต่างชั้นสองไม่มีระเบียงใครจะชะงงอกหน้ามาได้และข้างล่างตรงนั้นเป็นป่ารกเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนใช้บันไดปีนขึ้นมา เรากับเพื่อนพยายามตั้งสติเพราะกลัวมากหลังจากนั้นเวลาเราไปทำงานถ้าใครเลิกงานก่อนเพื่อนก็จะไม่กลับบ้านก่อนคนเดียวจะนั่งรอเพื่อนจนกว่าอีกคนจะเลิกงานและกลับพร้อมกันจนผู้จัดการและเพื่อนร่วมงานถามว่าทำไมไม่กลับบ้านไปก่อนเราก็บอกไปว่าเหงาเพราะคิดว่า ฝรั่งคงคิดว่าเรื่องผีไร้สาระจนผ่านไปอาทิตย์ที่สก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างปกติจนเราคิดว่าน่าจะโอเคแล้ววันนั้นเรากับเพื่อนทำงานกะเดียวกันพอเดินเข้าไปในร้านและกำลังเอาของเข้าเก็บในล็อกเกอร์อยู่ๆเมนเจอร์เดินมาถามว่า ใครเดินเข้ามาในห้องนี้กับพวกอยู่ด้วยพวกเราก็งงและบอกว่ามีแค่เราสามคนแต่เมนเดเจอร์ยืนยันว่าเห็นคนเดินมากับเราใส่ชุดคลุมสีขาวหน้ากากสีขาวและตาสีดำโตเมียวฟังแล้วขนลุกเพราะเหมือนกับในฝันพวกเราเลยยืนยันว่าไม่มีเมนเดเจอร์ Manager ก็ยืนยันว่าเห็นจริง เรายังคิดว่าพนักงานคนอื่นในร้านแกล้งเราเราสามคนเริ่มกลับมากลัวกันอีกครั้งวันถัดมาเพื่อนรวมงานก็เข้ามาทักว่าเมื่อวานเห็นพวกเราที่ท่ารถตอนขับรถผ่านทาไมเห็นเหมียวแต่งตัวแปลกๆก็เลยถามว่าแปลกยังไงเขาก็บอกว่าเหมียวใส่ชุดคลุมสีขาว ดูเก่าๆเขาจะทักเมื่อวานแต่ขับรถอยู่อีกฝั่งเราก็ถามว่าจริงหรือเขาก็ยืนยันว่าจริงเราสามคนเริ่มกลัวมากเลยตัดสินใจเล่าเรื่องแปลกๆให้เพื่อนร่วมงานคนนั้นฟังและเพื่อนร่วมงานก็มากันหลายคนที่โต๊ะของเราฟังเราอย่างตั้งใจพอฟังจบเขาก็บอกว่าน่ากลัวมาก หาที่อื่นอยู่เถอะเดี๋ยวไอช่วยหาให้พวกเราจึงตัดสินใจที่จะย้ายที่พักเลยโทรไปหาแลนด์ลอร์ดว่าจะขอย้ายออกและขอข้ามาจำบ้านคืนหลังจากนั้นก็กลับบ้านวันนั้นเหมียวบอกกับป่านว่ารู้สึกแปลกๆใจมองๆแบบไม่มีความสุขรู้สึกใจหาย เหมือนว่ามีคนที่รักตายเหมียวโทรกลับไปที่บ้านทุกวันแล้วร้องไห้ว่าอยากกลับบ้านหลังจากนั้นเหมียวดูใจลอยทำงานพลาดหลายอย่างจนเมนเจอร์บน่นและไล่กลับบ้านแต่เหมียวไม่กล้ากลับนั่งรอเรากับป่านอยู่ร้านข้างๆเราถามเหมียวว่า เห็นอะไรแปลกๆในบ้านหรือเปล่าเหมียวบอกไม่เห็นแต่ว่านอนไม่หลับรู้สึกไม่อยากทำอะไรจิตตกกินข้าวไม่ลงอารมณ์เหมือนเสียคนใกล้ตัวและจะร้องตลอดเวลาเราเลยว่าอาการนี้คือโรคซึมเศร้าแน่ๆเลยพยายามอยู่กับเหมียวพาออกไปข้างนอก เปิดหูเปิดตาจนคืนสุดท้ายก่อนจะย้ายออกอยูย่ๆเหมียวตะโกนให้เราตื่นเราตื่นขึ้นมาเห็นเหมียวเอามือถือเปิดไฟฉายส่องไปที่ปลายเตียงเราเลยรีบไปเปิดไฟเหมียวเล่าเสียงสั่นว่านอนไม่หลับนอนกลิ้งไปกลิ้งมาพอมองไปที่ปลายเตียงก็เห็นชุดคลุม ใส่หน้ากากยืนนิ่งหันข้างตรงปลายเตียงแต่เหมียวมองไม่ชัดเพราะมันมืดจากนั้นรู้สึกตัวชาพอหันไปอีกทีกลายเป็นชุดคลุมหน้า ก, ากากสองคนยืนคนละฝั่งของปลายเตียงเลื่อนช้าๆสลับกันไปมาจนเหมียวรวบรวมสติและตะโกนขึ้นมาจนเราเปิดไฟ ทุกอย่างในห้องก็ปกติเราพยายามปลอบเมียยวว่าอาจเป็นผลข้างเคียงจากการนอนไม่หลับเลยเกิดภาพหลอนเพื่อให้เมียวสบายใจรุ่งเชา้าพวกเรารีบขนของออกจากที่พักเพื่อไปหาที่พักใหม่หลังจากย้ายไปที่พักใหม่แล้วเมียวยังคงรู้สึกเหมือนเดิมแต่อาการดีขึ้นมาก ทำงานได้และพูดคุยได้ปกติสองเดือนก่อนกลับไทยป้าแม่บ้านของที่พักมาทักว่าเวลาพวกเราเดินจะมีคนใส่หน้ากากสีขาวเดินตามมาแต่หยุดที่หน้าประตูทางเข้าตึกสองถึงสามครั้งพอหันไปมองก็หายไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทักพวกเราหลังจากนั้น เราเลยถามเพื่อนร่วมงานในร้านว่าเห็นคนใส่หน้ากากตามพวกเรามาอีกไหมแต่ก็ไม่มีใครเห็นนอกจากป้าแม่บ้านเราเลยปรึกษาเพื่อนคนอเมริกันในร้านที่สนิทเพราะเหมียวยังมีอาการเหมือนเดิมเขาเลยตัดสินใจจะพาไปที่โบสถ์ประจำของเขาเพื่อจะไปหาบาทหลวงแต่เหมียวไม่ยอมไป เราเลยไม่ได้พาเหมียวไปตามที่เขาแนะนำก่อนกลับไทยเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอีกเลยเหมียวอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติสามคืนก่อนออกจากเมืองนี้เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวที่รัฐอื่นก่อนกลับไทยเพื่อนคนอเมริกันพาไปเลี้ยงส่งที่ร้านท้ายเมืองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเช่าเก่า ในขณะที่กินเลี้ยงกันช่วงดึกพนักงานเสิร์ฟในร้านมานั่งคุยกับพวกเราด้วยเราเล่าเรื่องบ้านผีสิงให้ฟังเราบอกผิกัดบ้านไปนางทำหน้าตกใจถามว่ายังเปิดให้เข้าพักอีกหรอนางเลยบอกว่านางรู้เรื่องประวัติบ้านหลังนั้นและก็เริ่มเล่าให้พวกเราฟังว่าบ้านหลังนั้น ไม่เคยมีคนอยู่มานานแล้วคนที่มาอยู่จะอยู่ได้ไม่นานประวัติที่เขาเล่ากันมาในแถบบ้านหลังนั้นสมัยก่อนเป็นชุมชนพวกลัทธิวูดูและบ้านหลังนั้นเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมจับผู้หญิงมาบูชา ย, ยันเพื่อฆ่าในสมัยก่อนแต่ลัทธินี้โดนล้มไปตามยุคสมัย แต่เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในละแวกนั้นก็คือบ้านแถบนั้นค่อยๆร้างลงไปเกิดเหตุในบ้านพักเราในยุคปี60มีคนมาเช่าบ้านหลังนั้นอยู่หลายปีอยู่ห้องชั้นบนชั้นเดียวกับพวกเราอยู่นี่แหละคะ่ะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวและอยู่แค่ห้องเดียวด้านบนเหมือนพวกเราแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้น ก็หายตัวไปไม่ไปทำงานไม่ติดต่อยาตยาทุกคนเลยสงสัยพากันไปดูที่บ้านเลยพบว่าห้องชั้นบนไม่ได้ล็อกแต่ได้กลิ่นเหม็นเนา่าลอยมาจากห้องชั้นล่างเลยเปิดประตูเข้าไปก็พบศพผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ข้างล่างศพเอาหัวกระแทกกับผนังห้อง เพราะมีรอยเลือดตรงผนังห้องกระแทกจนสมองไหลศพอืด น, นอนเละมาหลายวันตำรวจพยายามหาคนร้ายแต่งงว่าคนร้ายฆ่าทำไมข้าวของก็ไม่ได้หายแต่คนในละแวกนั้นบอกว่าเป็นวิญญาณหรือซาตานที่เกี่ยวกับพิธีบูชายันที่เอาชีวิตผู้หญิงคนนั้นไป หลังจากนั้นพวกเราก็กลับมาไทยโดยสวัสดิภาพจนเวลาผ่านมาประมาณสามเดือนกว่าๆเรากับเหมียวและปานอยู่หอพักที่มหาลัยด้วยกันทั้งสามคนอยู่แล้วคืนนั้นเหมียวกับปานติดทำกิจกรรมกันจนมืดแต่เราเลิกก่อนเลยจะไปเจอกันที่ร้านข้าวด้านล่างตอนเสร็จกิจกรรมพอเหมียวกับปานเสร็จกิจกรรมแล้ว ไปรอเราที่ร้านข้าวแต่เราติดซีรีส์ก็เลยช้าบอกพวกนางว่ากำลังจะลงไปแล้วจริงๆแต่พวกนางบอกไม่เชื่อพึ่งปิดคอมละสิเราเลยถ่ายรูปตอนปิดไฟกำลังปิดประตูห้องให้ดูว่าเนี่ยลงไปแล้วจริงๆและส่งรูปไปทางไลน์พอเราลงไปถึง เหมียวกับป่านก็ทำหน้าตกใจบอกดูในรูปที่ส่งมาสิตรงระเบียงเราซูมเข้าไปเป็นเงาหน้ากากสีขาวเหมียวบอกเราเสียงสั่นๆว่าแบบนี้เลยที่เห็นในฝันเราสามคนรีบวิ่งขึ้นห้องและเปิดไปดูก็ไม่มีอะไรตรงระเบียงถ่ายรูปซ้ําที่เดิมก็ไม่มีรูปหน้ากากแบบเดิมอีกแล้ว เราเอารูปนี้ให้คนอื่นดูทุกคนยืนยันว่าเป็นแสงที่กระทบเลยเกิดรูปร่างเราก็คิดว่าเป็นแสงที่ทําให้เกิดรูปร่างนี้พยายามบอกเมียวแต่เมียวก็ยืนยันว่าหน้ากากแบบนี้เลยที่เห็นในความฝันแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้วแต่เรา